คิดแบบท่านพอลีหลักคิดหาเหตุผลความเชี่ยวชาญกล้าหาญเข้มแข็งและแววตาแห่งปัญญาคืออุปนิสัยของท่านพอลีธรรมัทโรท่านมีนิสัยที่แตกต่างจากคนทั่ ว, วไปราวฟ้ากับดินท่านช่างคิดคิดทะลุ ป, ปรุปโง่งช่างพินิษพิจารณา ช่างชอบไตรตรองด้วยปัญญาเพราะนี่เป็นส่วนแห่งบุญที่ก่อตัวจนกลายมาเป็นท่านท่านเป็นผู้มีบุญหนุนส่งให้มาเกิดย่อมมีความคิดที่แตกต่างออกไปจากนิสัยของคนทั่วไปท่านทำอะไรจึงมักจริงจังเด็ดขาดเพราะบุพเพชาติท่านเอาความดีเติมใส่ในจิตใจไว้มากดังคําที่ว่าสุข เป็นผลมาจากการทำดีผลแห่งการทำดีย่อมสอดคล้องกับเหตุผลทำให้เกิดปัญญาเมื่อสองขาท่านยืนหยัดมั่นคงจึงมองเห็นทางที่ยาวไกลในใกล้ต right ั okay, ้งแต่วัยเด็กในวัยเด็กท่านมีนิสัยที่แปลกแตกต่างจากเด็กทั่วไปบางทีต้องถูกผู้ใหญ่ดูด่าว่ากราวอยู่บ่อย เพราะคิดว่าท่านเป็นคนอวดดีแต่แท้ที่จริงแล้วท่านมีดีที่จะอวดมากกว่าผู้เขียนจะนำมาเล่าให้อ่านสักเล็กน้อยในวงเล็บเรื่องชีวิตท่านพอลีได้เรียบเรียงเป็นเพลงประกอบสารคดีในงานฉลองพระทุตังขจีดีเมื่ออายุ11บปีท่านมีความคิดแตกต่างจากคนทั่วไปว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ท่านจะทำไม่ได้ยกเว้นเรื่องเดียวที่ท่านจนใจเป็นที่สุดนั่นคือเลือดในอกของแม่ที่ท่านดื่มเข้าไปนั้นที่หามาตอบแทนให้ไม่ได้พออายุส5้าปีท่านมีคติธรรมฝังแน่นในหัวใจสามอย่างคือหนึ่งในจำนวนคน8ปสิบหลังคาเรียน ในหมู่บ้านเดียวกันนี้ท่านจะไม่ยอมให้ใครมาเหยียบหัวแม่ตีนเด็ดขาด 2. ในบรรดาคนที่เกิดในปีเดียวกันท่านจะไม่ยอมแพ้ใครในเชิงหางเงิน 3. ถ้าอายุไม่ถึง30สปีจะไม่ยอมมีเมียและจะต้องเป็นคนเลือกเองอายุ19ปี ท่านมีความคิดที่แตกต่างจากหนุ่มทั่วไปว่าคนที่เป็นบ่าวเขาก็เพราะตัวไม่มีอำนาจที่จะเป็นนายเขาส่วนคนที่เขามีอำนาจเขาก็สามารถชี้นิ้วให้คนอื่นทำอะไรอะไรก็ได้ถ้าเราไม่สร้างอำนาจให้มีในตัวแล้วเราก็จะต้องเป็นบ่าวเขาตลอดไปในวงเล็บเป็นทาตกิเลส ต, ตัณหา เราสะสมความดีในตัวเพื่อให้ได้าธาตุกายสิทธิคือมโนโมยิธิถ้าเราเป็นนายมีอำนาจใช้เขาได้เราก็จะได้นั่งนอนสบายปลอดภัยคุณความดีเกิดขึ้นได้ทางใจถ้าใจไม่ดีความดีทางกายกับความดีทางวาจามันก็ไม่ดีความดีเห็นได้ง่ายที่สุด แต่มันเกิดได้ยากที่สุดเช่นกันพออายุยี่สิบปีท่านคิดไปไกลทะลุโลกว่าได้เวลาบวชแล้วการบวชเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และปลอดภัยที่สุดท่านเทียบความรักของพ่อแม่กับความรักที่พระพุทธเจ้ามีให้เหล่าพระสาวกอย่างน่าสนใจว่า พ่อแม่นั้นถึงแม้จะรักเราสักเพียงใดก็ยังมีเวลาที่โกรธเกลียดลูกได้ในบางขณะแต่พระพุทธเจ้านั้นนับแต่วันที่พระองค์ได้ตรัสรู้จนถึงวันเสด็จปรินิพานท่านไม่เคยโกรธเกลียดลูกศิษย์คนใดคนหนึ่งเลยเหตุนั้นพ่อแม่ของเราก็ไม่ดีเลิศเท่าพระพุทธเจ้าได้ พระองค์ได้มีพระหรทัยเมตตาสงสารพวกเราจริงๆแต่ถึงกระนั้นก็ตามถ้าหากเราตกนรกหมกไหม้แล้วพระพุทธเจ้าก็มาโปรดได้ยากนักพ่อแม่ที่รักเรามากปานชีวิตก็ช่วยไม่ได้คนที่ช่วยได้ก็คือตัวของเรานั่นเองอย่ากระนั้นเลย เราจงทำตัวของเราให้เป็นที่พึ่งแก่ตนดีที่สุดที่พึ่งนั้นคืออะไรคือการออกบวชเราออกบวชแสวงหาทางพ้นทุกข์ตามอย่างพระพุทธเจ้าจะดีกว่าเมื่อบวชแล้วท่านคิดว่าเราเป็นพระกินข้าวชาวบ้านเขาข้าวจะเข้าปากก็ให้คิดยาวๆให้คิดว่า ข้าวนี้ชาวบ้านเขาได้มาด้วยวิธีใดก่อนสุกมีความเป็นมาอย่างไรเช่นต้องหุงต้องหาต้องเกี่ยวต้องเก็บต้องฝัดต้องตาต้องปลูกและอื่นๆกว่าจะมาถึงบาทเราต้องลำบากไม่ใช่น้อยเมื่อคิดได้เช่นนี้ท่านจึงเตือนตนเองว่า เรากินข้าวเขาเราต้องทําตัวให้ดีเมื่อท่านได้พบกับพระอาจารย์มั่นประสบความสมหวังในชีวิตแล้วก็ย้อนกลับมาบ้านเกิดได้พูดคุยกับโยมพ่อว่าอาตมาได้พบกับท่านพระอาจารย์มั่นแล้วเป็นที่พอใจในชีวิตอาตมาจะไม่กลับมาตายบ้านนี้อีก ทรัพย์สินเงินทองของโยมต่อแตนี้ไปจะไม่มาเกี่ยวข้องตลอดชีวิตโยมป้าของท่านได้ฟังดังนั้นก็พูดตำหนีว่าท่านจะเกินไปละมัง้งท่านตอบไปว่าถ้าศึกแล้วมาขอข้าวป้ากินก็ให้ป้าเรียกว่าสุนักก็แล้วกันท่านตัดสินใจว่าจะบวชตลอดชีวิต และจะไม่ยอมจนในเรื่องชีวิตและมีกติธรรมที่ยิ่งใหญ่ไว้ในใจอยู่ว่าเกิดมาเป็นคนต้องพยายามไต่ขึ้นอยู่บนหัวใจคนบวชเป็นพระต้องพยายามไต่ขึ้นไปอยู่บนหัวใจพระให้ได้และมีมโนปณิธานที่เด็ดขาดและมุ่งมั่นสูงสุดว่า จะให้เลือดทุกทุกหยดในร่างกายตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเทา้าเป็นไปเพื่อกิจพระาศาสนาไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าหรือใต้ดินก็จะต้องขอสู้ถวายหัวจนสดชีวิตท่านพลีได้กล่าวตอกย้ำในเรื่องการบวดของท่านเพื่อเป็นทินฐานนุคติแก่อนุชนรุ่นหลังเพิ่มอีกว่า ที่บวชไม่ศึกนี้เพราะท่านกลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายบวชมันไม่รู้จักคำว่าแก่เจ็บตายทาความภาคเพียนภาวนาให้มันเห็นร่างกายนี้ไม่มีสาระสาคัญอะไรเลยมันจะแก่ก็แก่ไปมันเจ็บก็เจ็บไป มันจะตายก็ให้ตายไปไม่ต้องไปทุกข์ร้อนอาลัยอาวนกับซากมนุษย์การที่เราทำสมาธิก็เหมือนการสะส ม, มะเมล็ดพันธุ์ผักไว้เมื่อมันแก่จัดพอถูกน้ำเข้ามันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเป็นต้นเป็นดอกเป็นใบเรามีสมาธิเป็นพื้นฐานสั่งสมไว้พิจารณาก็เกิดปัญญา รอบรู้ทุกสิ่งทุกอยาก่างทั้งด้านโลกและด้านธรรมด้ง่ายสอนจิตฝึกใจให้รู้ว่าอะไรเป็นาธาตุขันอายตนะทุกทุกส่วนของร่างกายจนเราไม่ต้องกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายอีกต่อไปเหมือนเราโตขึ้นความเป็นเด็กมันก็หายไปเอง จะไปกังวลหวังในเรื่องอดีตที่ผ่านอนาคตที่ยังไม่ถึงให้ใจเร่าร้อนทําไมเพราะอะไรเมื่อเราสู้มาถึงขั้นนี้แล้วเราจะไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของสาคัญมีสาระแก่นสารอะไรเลยพระพุทธองค์ทรงมุ่งประสงค์ให้ปฏิบัติทางจิตใจเป็นข้อใหญ่ ใครไม่ปฏิบัติตามเรียกว่าไม่รักไม่เคารพในพ่อของตนเลยพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระคุณยิ่งใหญ่กว่าพ่อแม่เพียงใดถ้าเราไม่ทำตามคำสอนของพระองค์ก็เท่ากับเราหลอกท่านคนที่หลอกพ่อแม่ของตนจะเจริญ ง, งอกงามไพบูในทางธรรมได้อย่างไร พระหลีท่านกล่าวถึงความมุ่งมั่นของท่านเพิ่มอีกว่าคราวที่ทุดงอยู่ทางภาคเหนือติดตามหาท่านพระอาจารย์มั่นภูริธาโตท่านกินใบไม้บนยอดเขาต่างข้าวพราะท่านตำหนิตัวของท่านเองว่ายังไม่ดีพอเมื่อมันยังดีไม่พออย่างที่ใจหวัง ให้มันเป็นบุ่งเป็นหนอนไปเสียเถิดอย่าสมควรกินข้าวของชาวบ้านเขาเลยท่านสอนใจเตือนตนเองพูดกับตัวเองว่ามาบวชอยู่ป่าแล้วก็ยังคิดถึงคนนั้นรักคนนี้เกลียดคนน้อนอยู่มึงมันเลวอย่างนี้มึงอย่า ก, กินข้าวของเขาหนาะถ้ามึงไม่ดีเป็นผู้เป็นคนแล้ว อย่ากลับไปให้เขาเห็นหน้าอีกทิ้งร่างกายตายมันอยู่ในป่านี่แหละท่านพอลีท่านชอบท่องเที่ยววิเวกไปตามป่าเขาเพียงรูปเดียวสละดตายเพื่อการปฏิบัติธรรมหลายครั้งท่านให้คติเป็นข้อคิดในการเดินทางของท่านว่าท่านมีคิดว่าจะตั้งตัวเป็นคนบ้านนั้นเมืองนี้วัดนั้นวัดนี้ ดังนั้นจึงเที่ยวสัญจรไปทั่วทุกคนแห่งเหมือนมแมลงพึ่งบินโฉบไปดูดลดหวานจากเกสรดอกไม้แล้วก็บินลับจากไปโดยไม่อาไรและไม่ทําให้ดอกไม้นั้นชอกช้ำท่านละว่าได้ตั้งใจจะศึกษาหาความรู้จากคนทั้งโง่และฉลาดจะสั่งสอนคนทุกจำพวกตลอดจนคนมิชาทิฐิ เหมือนกับน้ำฝนซึ่งตกลงมาให้เป็นประโยชน์ตลอดทั้งคนสัตว์ต้นไม้ดินหญ้าคนใดที่เขาโง่กว่าเราเราก็เป็นครูเขาถ้าเขาฉลาดกว่าเราเราก็ยอมเป็นสิทธิ์เขาเราไม่ควรคิดว่าเราจะโง่ไปทุกๆอย่างและฉลาดไปทุกๆอย่าง สิ่งที่เรางโง่ก็มีสิ่งที่เราฉลาดก็มีฝรั่งเขาศึกษาวิชาจากพืชจากสัตว์เขาก็ยังสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้เป็นอันมากพระพุทธเจ้าเองบางอย่างพระองค์ก็ทรงศึกษาแม้จากสัตว์ซึ่งพูดไม่ได้ฉะนั้นจิตต้องเปลี่ยนที่เหมือนกับเราเปลี่ยนอิรียบท จึงจะอยู่ได้อยู่ท่าเดียวที่เดียวก็มีแต่คนตายเท่านั้นคนเป็นๆต้องย้ายไปนวนบ้างไปนี่บ้างเป็นธรรมดาเหมือนกับเวลาเราอยู่วัดเห็นแมวเราก็รู้สึกอย่างหนึ่งเฉยๆธรรมดาเวลาเราไปอยู่ป่าเห็นเสือเราก็รู้สึกไปอีกอย่างหนึ่ง กลัวตายตัวสัน่นความขี้ขลาดตาขาวปรากฏต้องพึ่งสมาธิภาวนาไม่งั้นเป็นบ้าตายความรู้สึกทั้งสองอย่างนี้แตกต่างการราวฟ้ากับดินแล้วท่านพอ่อหลีท่านก็เล่าต่อให้สานุสิ์ฟังพร้อมเปรียบเทียบความคิดของท่านที่เกี่ยวกับการบวชและการออกทุดงไปอยู่ป่าว่า คนที่บวชแล้วไม่เคยออกป่าเลยก็เหมือนกินข้าวสุกที่ไม่มีแกงคนที่บวชแล้วเดินทุดงสแสวงหาที่มิเวกย่อมได้ดื่มดำรสของพระศัทธธรรมเปรียบเสมือนบุคคลที่กินข้าวสุกมีกับและแกงด้วยตัวอย่างง่ายๆในหลักธรรมชาติเช่นไก่ป่ามีลักษณะต่างกับไก่บ้านคือ ตาไวหางกระดกขันสั้นปีกแข็งลักษณะการเหล่านี้เกิดขึ้นจากความระวังส่วนไก่บ้านมีหางดกตาตกปีกอ่อนขันยาวลักษณะเหล่านี้ย่อมเป็นเหยื่อของเสือดาวถ้าอยากพิสูจน์ตัวเองลองไปอยู่ในป่าช้าผีดิบคนเดียว จะได้เห็นตัวเองถ้าเราทำจริงอยู่ได้จริงก็จะเกิดความวิเศษขึ้นมาจากการปฏิบัติจากได้อานิสงส์ของความนี้นั้นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีความสามารถขจัดทุกข์ได้จริงกําจัดภัยได้จริงและกําจัดโรคได้จริงเพียงใดความดีที่เราได้ทำ ด้วยกายวาจาใจมันภาคเพียนพยายามประกอบให้มีขึ้นเจริญงอกงามไพยมูญขึ้นแล้วก็มีความสุขกายสุขใจทุกขณะที่ยืนเดินนั่งนอนนี่แหละท่านทั้งหลายชีวิตชีวิตหนึ่งที่เป็นแบบอย่างได้อย่างเยี่ยมยอดทำทำจริงรัก รักจริงสู้สู้จริงเห็นเห็นจริงไม่หลอกลวงตนเองและบุคคลอื่นเป็นคนดีเองมาตั้งแต่ยังไม่เกิดชีวิตคติธรรมและปฏิปทาของท่านพอ่อลีซึ่งผู้เขียนนามาเล่าเพียงน้อยนิดเป็นชีวิตที่ท้าทายจริงๆ บางทีเราอ่านและฟังยังไม่อยากจะเชื่อว่าคนคนหนึ่งสามารถมีความคิดละเอียดอ่อนละมุนละไมและการกระทำได้ถึงเพียงนี้แต่สิ่งนี้ได้มีได้เป็นไปแล้วนึกนึกแล้วอัดอั้นตันอยู่ในหัวอกทั้งอยากจะหัวเราะและร้องไห้ปากปนกันไป การที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์และอย่างท่านพ่อลีนี้มันช่างยากเสียจริงๆเมืองหลังของท่านกรมศึกยิ่งกว่าพระเจ้าจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เพราะพระเจ้าจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ออกรบก็ยังมีทหารเอกเคียงข้างร้อมร้อมเป็นหมื่นเป็นแสนแต่นี่ ท่านออกรบเพียงผู้เดียวและรบกับกิเลสร้ายที่มองไม่เห็นตัวได้ง่ายๆและไม่ทราบว่ากองทัพของมันซุ่มซ่อนอยู่ที่ใดในซอกหลืบใดในกายวาจาใจเราแต่ท่านก็ยังอุตส่าหกรรมชัยชนะมาได้ช่างสุดยอดเสียจริงๆ